ก็แกะไขมันมันไปในทางที่ถูกผมพยายามรักษาบำรุงมันแต่มันไปในทางที่ดีสม่ำเสมอไปใจดีใจเย็นย็นใจสงบจิพตพระผูกใจเสด็ตาเห็นก็ไม่หลงในอู้หูโดยยินก็ไม่หลงในเสียงทั้งทงั้งสิ้คนอื่นสัตว์อื่นเข้าหลง มีท่านไมหลงเพราะท่านมีสติท่านมานนีปัญญาท่านมีธรรมะเทียมแนะสอนตัวฝึกตัวคนที่ฝึกตัวท่านมะเป็นผูป้ปฏิบัติคนที่ขาดสติขาดปัญญาใ น, น่มีทางที่จะถึงวิชาวิมุดได้ มิเติจ ะ, จะเจอมลึกเลื่อยไปเพราะเชื่อที่เหลือตัณหาเป็นศาสด า, า, านำใจเชื่อไปเท่าไรก็ถูกหลอกถูกเลียงไปเท่านั้นถูกต้มถูกปิ้นไปเท่านั้นจิตใจอย่างนี้อะไรถือจะเป็นเพื่องรักษานอกจากสติปัญญาของตัวเองคนอื่นแทกนการักษาของท่าน เนี่ยเป็นจิตหาจะมารักษาเราดังนั้นเรารักเราเราต้องรักษาตัวอย่าให้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆมาเกี่ยวข้องกายใจท้องสนอารมณ์สัญญาจิดเคิเจ็น่าตุสตรูต่างๆผักดันมันออกไป อยาห้มันมาจิ้มในจิตในใจพยายามสอนใจให้ใครทำที่จะมาหาความจริงของมันความจริงนั้นจะเกิดขึ้นมันจิ้มแต่เราจะไม่เห็นถ้าจิตของเราจิงถ้าจิตของเราไม่จริงก็เลยไม่จิงมสักทีสักจิ้มสักอย่างมันจิ้อย่างนั้นเพราะจิตจิ้เท่าอย่างเดียวเท่านั้น จิตอื่นมันจิงไปหมดเพราะจิตเป็นตัวการตัวเหตุจิตจะไปจิดข่องสมมติมันหมายชายหญิงต่างๆอารมณ์จุดฝุกปติบัติจิยึดอารมณ์ของธรรมมาที่นี่ที่เจริยนาถึงยังไม่เห็นเอเป็นภายในใจแต่ก็มีวันที่จะสงบระงับมีวันที่จะ เห็นใจก็ได้เพราะใจของเราทำให้มันรุ่มร้อนเศร้าหมองนันก็ทำได้ทาให้มั น, มนส่องใสมันก็ทำไ ด, อได้อารมณ์สัญญาที่เราเคยติดของกาหนดยินดีมาในสาวว่าจีติบปีมาแล้วแล้วลึกลึกถึงสิ่งเหล่านั้นมันจังกำเ น, นิดเกิสารึ้ดมันบ่ามันบอขนาดไหนท่านที่มันผ่านไปจน่างนี้ อยู่เรวอะไรติดขวางอยู่แต่พอเราลึกถึงมันยังเกิดตำหนักจีนดีถ้าหากเกิดถึ ง, ถงอารมณ์ทางกาหนัดเกิดถึ ง, ถงอารมณ์ทางความเดือดร้อนความโกรธความขัดเคืองหัวใจก็ทำนองเดียวกันถ้าเช่สคนนั้นเขาทำมาแล้วผูกมาแล้วกับเราในชาบะจีติดตัวมาแล้วพอวเราลึกเล็กขึ้นโยคะกับเรื่องนั้นใจมันยังไปอิดขายังเดือดร้อน ยังเศร้าหมองยังโกรธเขาหั่ใจของเรามันเป็นแบบนั้นถ้าเรานำธรรมะธรรมโมมาที่มิจฉาเนานำสติปัญญามาแนะนตัวไม่ให้จิตคิดไปในี่่นั้นมุมนั้นเพราะคิดไปไม่ได้อะไรนอกจากจะเศร้าหมองหรือเดือดร้อนเราห้ามเอาไว้มันห้ามได้ถือโทษตัวม่ เล็ลรอดออกไปเพราะขาดสติจิตใจว่าหุ่นคุนมัวต่างๆถ้าหามีสติอยู่เป็นนิดถึงจนจิตของตัวเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาไม่มีการตั้งมันเกิดเองของมันทุกเรา่องความปิ่นข้างใจแทบขึ้นเมื่อใดจะไม่เห็นสติตามรู้ไม่มีนี่คือจิตมันเป็นอัตโน ม, มัติ เป็นมหาสติคิดแับแทบแทบเมื่อใดเข้าใจอยู่เมื่อนั้นไม่มีทางหลงยิ่งเรื่องของโลกเรื่องของตามไม่เกิดยิ่งสะเทือนมากสะเทือนในใจเพราะการปฏิบัติเราเคยทีคิดที่ใจนามาเพื่อจะละจะถอนบันยังมาลงมาคิกแบบนี้มันสะเทือนมากสะเทือนใจของตัวเองฉะนั้น สิกี่ยวข้องกต้นมหาสติเป็นอย่างนี้ารตั้งเป็นอสตโนมัติทของมันทุกระยะทุกเวลาสังฐานแทบขึ้นเหนือใดจะตามทันเหนือนั้นถ้าหากเราไม่จับเอาไว้มันจะดับลงไปปกติมันจะมีอย่างนั้นอย่างของสังขารแต่ถือสําคัญสัญญามันไปเกิดไปจำเหมือนกันกับเราเขียน ยินศอกมันมีมดอเขียนไปมันติดไปรอยมันมีท่าหากยินสอหรือปากกาไม่มีมดอจะเขียนไปเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรต้องรายพวงมันแต่เขียนในเอกสารหรืเขียนในน้ำเขียนไปเท่าไรมันลบไปเท่านั้นมันมีตัวอะไรจะติดมีสังฐารยิงจังคือมันเป็นถ้าหัจิตดูเห็นกิตในจิตข้องมันก็ทํานองเดียวกัน สังขารจึงม่เป็นกิเลสในเป็นตัญหามันยังมีอยู่ถึงจิตบริสุทธิ์ก็ยังมีอยู่เพราะขันยังมีอยู่ขันหาน้ามใส่ตัวกิเลสตัญหาแต่กับคนหลงขันหา้าจิตหลงขันหา้าจึงเกิดกิเลสตัญหาเกิดละเกิดชอบเกิดช่างต่างๆต่องพิจารามันไม่เข้าใจตามจป็นจริงของมันอถึง ควบริสุทธิเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจะหายสงสัยจะหายเยื่นตาที่เจน่ะเสื่อละเผื่อถอนยังไม่บริสุทธิ์จะทําบําเพ็ญไปกําหนดไปความเสื่อมความเจริญท้องใจก็ทํานองเดียวกันเวละะาก้าก้าเอาจริงจริงแจ้งแจ้ ง, จ ง, ง, จงขใจเรากล้าระหว่างเรามีปัญญาแหลมคมวิเดินตั้งหาหน่าไหนจะเกิดมาจะที่เจน่ะละถอนไม่ได้มีไหม มันเคยเป็นเคยเห็นในจิตในใจการมันเพนมันอยากจะให้เพ่งได้เิ่งหนึ่งเึ่งสติจะไม่ทานปัญญาจะไม่แก้ไขไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันอยากรู้ว่าเรื่องความหลงคองใจมันจะมีอยู่ในมเนี่ยใดมุนใดมันคิดแส่สายหะเรื่องต่างๆที่คือเคยจิตคล้องแต่ด้วยอำนา จิตใจมันกล้าเหมือนใครมันกล้าก้ากองอใหญ่ใหญทิ้งอะไรไปมันก็ไม่กับเทาเาหมดอารมณ์สัญญาที่เราฟุงมามันก็เหมือนเศษกระดาษแรบบ็ปแวบบ็ปแรบบ็ปแรบบไปความสว่างสวัยควาเพิดเพลินลุ่มหลงในความก้าความดีทั้งตัวเพลิดเพินมากก็นั่นแหละตัวของกิเลสตัวหนึ่งอีกเหมั่นกันไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบอย่นั้นมันจะไม่ส่วนมันจะไม่เสีย ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะมันจะไเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสแต่มันหลงเรื่องกิเลสของตัวเพราตัวดีกับผือกับตัวดีทางทำผ่านจงจัดมานะก้าเอาไว้ถ้าหานมีมานะคือความยึดความผือของจิตของใจอยู่ยังวม่เชื่อบริสุทธิ์ดีกว่าเขาสําคัญกว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญกว่าเสมอเขา ดีกว่าเขาสําคัญกว่าเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเขาสําคัญกว่าเสมอเขาสําคัญกว่าดีกว่าเขาหรือเสมอเขาสําคัญกว่าเร็วกว่าเขาว่าเสมอเขาหรือดีกว่าเขาทุกอย่างหยุดเป็นมานะทั้งเก้าถ้าจิตยังมีแม้แม่อย่างนั้นก็ยังเฉียวจิตยังเหนือโดยสุดจะเห็นจะทราบจากการเป็นของตัวเองแตจะมาเห็มันยึดมันถือมันเกินไปไหนได้มันจะต้อง ล่มหลุพมาอดทางเรายังไมาเคยเดินไม่เคยเห็นจะต้องเผื่เพินโดยเชื่อข้อแต่พอในตายใจในความเป็นอย่างนั้นหมั่นที่นิจจะมาสอบสืบเรื่อยไปคนที่สืบมันจะเกิดขึ้นเห็นขึ้นว่าอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงยังไม่แน่นอนมันการเปลี่ยนแปลงไปได้ ทางพิจารามันเห็นไปเข้าใจไปในการปฏิบัติของตัวเองการเขียนการเจริญก็ดีใจเสียใจเพราะสิ่งที่เราปรารถนาเราก็ดีใจสิ่งที่แล้วม่ปรารถนามันจะเสียใจจะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นอาการอันหนึ่งเร่องเหล่านี้คือมาเห็นมาเป็นรู้เขียนเจริญมันไม่เห็นมันจึงหลง ถามันเห็นว่าเหนเหล่านี้มันเป็นสร้างฐานเห็นที่เหนื้อสร้างฐานคืออะไรเหล่านี้วันเสื่อมันเจริญในนี้วันดีวันชั่วมันเข้าใจมันก็ไม่หลงมันก็ไม่ผิดหน้าที่ขอสร้างฐานเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมมันละเอียดมันเพลิดเพลินในเวลาที่มันเพลิดเพลิน พอมันเห็นมันเต็มในตัวจะให้มันเทินอย่างไรใจมันละเอียดปัญญามันรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเรามเคยรู้เคยเห็นมาพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันละเอียดเข้าไปมันได้รับความสุขความสงบในความรู้ความฉลาดในการคิดตึงในการทพิจารณาในการละการถอนมันก็เทินเหมือนกันกับข้อหา เขาขอเงินทองพวามมันได้มันก็เพลินในการหาของเขาไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีใจที่จะหาที่จะเพือปฏิบัติอาธมกับทานองเดียวกันต้องเห็นต้องเป็นในตัวจึงเชื่อจึงดึงดูดจึงอยากจากระทาแต่เบื้องต้นถ้ายังนม่เห็นไม่เนก็ต้องอุตสาพยายามบรรับบัญชาหาเพื่อนภาวนา ไตามธรรมดาเช่อก่อนเก็นจิตมันได้รับสัมผัสจากอาจักธรรมมันไม่มีวันถอยหลังนี่ใจจะเอาให้ได้นี่ใจจะตานาต่างตาเดือนเด้วยไปเพราะความเห็นความเป็นขางใจมันสัมผัสในตัวการปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาของตัวเอง ที่เยติดข้องอย่างไรที่จะนาไปเ่อมันรอรู้มันเข้าถึงไม่จะตงตกปัญหาที่เคติด้องต้องหลุออกไปนี่น่าละละความติดข้องของใจถอนที่เกิ่ปัญหาความยากของใจความเศร้าหมองของใจเปนไปเป็นพัก การปฏิบัติจึงควรลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังในอย่างนั้นจะไม่เห็นในตเปนให้เขาทําการงานด้านอื่นเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเขายังตั้งใจทําจอมเสียสละชีวิตแต่เราจะทําเอามาเอาผลจะได้ทําเล่นๆแล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นไม่ได้ต้องอุตส่าห์พยายาม ทำจริงทําจริงคุณใจจางแตนทําจืนเสาวแตนทําจริงจึงใดของจริงมาสอนโลกเราทำเรื่อเล่อย อ, ยอยากจะเห็นอยากจะเป็นมันเป็นไปในดาการงานภายนอกเขาจะทําในชัวร์หนาวร้อนอุตสาหะพยายามกลางวันกางคืนเ็นทุกข์ทนยากลําบาก เหน็ดเหนื่อยหิวเพื่ออะไรเพื่อเงินเผื่อทองเผื่อของภายนอกตอนนั้นในเผื่อของกิรังยังเยืนอะไรถ้าหากหยุดใจของผู้ที่มีธรรมในเริ่มเหลงยังเราอยู่เป็นพระเป็นเมรทางในเริ่มหลงในมัวเมามีใจเลื่อมใสมีใจยินดีในสมาณะเทศมีใจยินดีในธรรม เรามีโอกาสเวลาเพื่อปฏิบัติรักษาหินสะดวกบำเพ็ญจิตง่มันก็ควรเต็มใจพอใจท้าหากักมันไม่เห็นเรื่องของอัดของทำตัวของตัวแล้วมันก็โ่มหลงเรื่องของโลกไปอย่างนั้นมันถูกไปอย่างนั้นมันถูกไปานั้นแต่ความทุกข์ที่มันจะให้ผลแก่ ต, ต, ต, ต, ตมนมันไม่เด้ดิด ความจริงคนที่ลืมหลงเหลืองของโลกคนที่ไม่มีอัตมีธรรมในใจเท่านั้นที่ไปลืมหลงถ้าคนมีอัตมีธรรมในใจปกคอนอยู่ในโลกใครมันจะสุขจะสงบสบายจะปรเสริฐดเสร็จเจท่ากับเพจที่เป็นพระเป็นเมร์เทจที่เป็นพระเป็นเมรนมั น, นประเสริฐดีเศษ็จไม่ว่าผู้เฒ่าผู้กแก่ เขาก็มากามาไหว้มาเคารพบูชาท่านท่านจนเมสเดี๋ยไปทําการทํางานอะไรเสาว่าอาหารก็มีครบในชั้นข่าวความทุกขสบายก็มีนุ่งมีหอมที่อยู่ที่อาศัยทีกเขาสร้างให้ถ้าเป็นคารวะไหนซื้อมาหามาจะได้มาจากที่ไหนใครเขาจะมาให้จึงเพาลิดเพลินจึงเป็นเพลิดเพลิฐคนที่มีกี่เดือปัญหานะเนี่ยล่มหลงเท่านั้นจึงไดเพลิดเพลิน ในหลวงขโลกทั้งที่ทุกข์แทบตายก็ยังยินดีร้องให้ยินดีเต็มใจในควาเป็นความอยู่ของตัวนอนก็ไม่มีสุข น, นั่งก็ไม่มีสุขยิ่งไปตกขครอบครัวเขแล้วยิ่งไปกันใหญ่ก็เป็นยอดฝาธนาของคนถั่วไปวันนีครอบครัวเต็นสุข ตัวทุกใหญ่เราอยู่แต่เราไม่มีใครมาด่าไม่มีใครมาว่าเราอยู่สะดวกสบายนอนก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องไม่มีใครมารบกวนถ้าไปตกสอบตัวเห้วเมียล่ะมันจะมีไหมล่ะความสุขความสบายอย่างนั้นลูกร้องไห้เดี๋ยวคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้่เงียบวายไม่มีเวลาหลับสะดวกสบายให้ แต่เรื่องของใจมันเผื่อเทอมันยินดีถึงจะทุกข์ยากลาบากขนาดไหนมันก็เต็มใจที่จะไปแต่มันมาเห็นอาจเห็นทำภายในมันเบื่อมันหลอกตัวเองหลอนตัวเองล้วเชื่อเรื่องของมันจนได้ทุกอย่างนี้จะพิจารณาท่านที่ที่เราไม่เคยมีครอบครัวเพื่ีนมาก่อนก็ตามพิจารณาทรหศของเขาก็พอทราบได้แล้วเขามีความสุขขนาดไหน มีความสะดวกสบายขนาดไหนเราเป็นธาตเป็นเนนได้เปรียบเขาไหมสะดวกสบายไหมดีกว่าเขาไหมเขีนกวดรักษาบริสุทธิ์ถึงเรายังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาข้ามพ้นไปจากกีเดเลือดปัญหาเพื่ออานาจกายวาิจาที่เราไม่เคยทําชั่วคนชั่วจะไตามติดตัวพวกเราจะรับทุกขถ้าออกไปเป็นฆราวามันจําเป็นถึงแดดล้อมมันบังคับ จะให้รักษาศีลกต่ทาไมหะเรียบวดจะมารักษาเป็นฆราวาสเหลือเวียดีจงไปทาไปโกงเขาไปห่าไปแจ้งยิงจะหาไอ้สิ่งนี้มันจาเจนมัน่งได้ทาได้คิดหยู่เรามีชีวิตเป็นทาเป็นเจ้าจะพาด่าไปเมื่อไดก็ได้จะดื้อสบายจะมีใครเขาวางให้ ขบชันไปสะดวกสบายการเป็นท่าปเปนน็นแนวจะเป็นของดียว่เศษฉะนั้นจงพากัน ร, รักษาสมณะเพศพากัน ร, รักษาจิตใจของตัวเดี๋ยวอยากลมภาวนาอย่าไปคิดว่า ม, ม, ม, นน ม, นนมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหิวเขาทาการทํางานก็ยังทําได้พยายามสอนใจของตัว คนที่มีความภาคความเพียรมีความอดความทนคนนั้นแหละในวันใดวันหนึ่งสมบัติจะเกิดขึ้นเพราะสมบัติเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรจากการกระทำไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมควมีความเพียรความเอาใจใส่ในการในงานคนนั้นจะไม่อดอยากอยากจน ภายในของเราจะมีความสัญญานเพียนระวังรักษากายวาจาใจของตนในอารมณ์สัญญาต่างๆข่าเพี้ยนพยายามละถอนความคิดความปรุงข้าใจใจจะมีวันมีเวลามีสมบัติคือมีปัญญาเกิดขึ้นมีความสลุกความสบายมีความสว่างสวัยเกิดขึ้น กันพยายามฝึกอารมณตัวเองอย่าไปนอนใจทํานอนใจความต่อยไปตามเรื่องของมันเคยต่อยมาระยะยาวนานไหนมีอะไรเกิดขึ้นพยายามบังคับบัญชาทําจิตทําใจของตนในขอบเขตของอาจของทํามันจะเป็นอย่างไรผลจะเกิดขึ้น จากการปฏิบัติของตัวไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยสว่างสวัยภายในตัวจะสว่างสวัยไม่เคยรู้เคยถอนใจในสิ่งต่างๆตัวจะรู้จะถอนใจตัวจิตใจของเราถึงขั้นมันจะสอนตัวเองได้มันสอนนะอะไรจิตถูกสิ่งที่เราไม่เคยคิดเคยจูงมา ก, ก่อนเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้น อย่างไรมันพุ่ขึ้นบอกลวงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้โดยเอาหนายของอาจทำสิเราฝึอกอบรมความอัศจรรย์ความเห็นความเป็ในจึงเขียนไปทุกระยะทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ใจก็สงบใจก็เพลินในอาจในทำอยู่อยู่เป็นสุขเพราะความ นีอาจมีทำในตัวถึงสิ่งอื่นจะอดอยากลําบากขนาดไหนใจใจก็สิ่นสิ่นเบิกบานปลอดภัยจะเบียดเบียนขนาดไหนจะเกิดปัญหาไม่มีการเบียดเบียนใจอย่างกายมันจะเป็นไปอย่างไรปล่อยไปตามหน้าที่ของมันจิตใจสิจะไปลุ่มหลงจิดขวางไม่มีเป็นสิ่งดีสิ่งวิเศษลองฝึก ปฏิบัติดูจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของมารี่เราล่มเราหลงคิดกันขนาดไหนจะข้าใจจากตัวของตัวเองการวิลายธรรมะเห็นว่าต้องควรติเวลาเพราะยุติแค่กูหมดมั้งนั่งการสมาย อาการต้นลมดูอาการเหลวอ่ะเอ้ยดูดีแลก็พอเสียการแพร่โรคลมเป็นทีละยึดหนึ่ง ปริบัติหนุ่มมาจากกาจัดิเลสปัญหาหนุ่มมาหาความสุขทางใจหร่างกายเจ็เหนื่อยเหนื่อยล้าแต่เป็นธรรมดาในการเดินทางเ่อใจห้ได้ทำใหความสบายจากการไปการมาขังตัวในอย่างนั้นเสียเที่วสมารถ ระยะทางหยุดยาวเรื่องาพักผ่อนทาทีปรสถานที่ภาวนาจิตใจของตัวให้สงบลวแล้วเสื่มนั้นอย่าทุกคนเคยสนใจเคยทากันมาบ่านภาวนา กาวหนาหรือทอเลังจะดีด้วยเชื่อเป็นแต่ละบุคคลจิตใจของเราท่านโดยส่วนใหญ่ะมักกัวล่ยุด้องเรื่องภายนอกแต่จะอยู่กับตัวและจะมีเวลาพักผ่อนเหนือเรืองายจะเห็นว่ะเป็นเรื่องตำเปน จิตโป่งใสอยู่อย่างนั้นจะเห็นโทษเห็นภัยในการจิตของใจทางศ า, า, า, าสบบานาคืออาจารย์ตลอดพระพุทธเจ้าอ่านทิสท่าสุจิตใจใหพักผ่อนจิตใจให้พักผ่อนจิตใจมีกาลังในนี้กาลัง ิะอะไรสิจะให้เก like ิใสทัดเกนเราไได้จิดมีกำลังในการทักท่อนที่ใจเราอะไรกะจัดครายทัดเกนเปมนคุณฑ์โทษระจับรัะนั้นในระยะเวลาที่้องเทศด์เลี้ยวเรือ ในก็รจิตอิ่หารไหวย่ากันเริ่มทำจิตท้องต้นหัวพักผ่อนสงบดิเลอารมณองท้องทำและต่ออุบายปัญญาแต่ละคนที่เคยทามาได้ผลอทีิเคยตําหนดลมหายใจก็ตําหนดได้อที่เคยบาลีกรรมจิตโททำโมสองโคหรือ อ, อ, รรอะไร ก็กงหนดได้ถึงแตที่เจ้านาตางกายใจจิตจะเห็นการเป็เพียงจะทาได้ไม่วัดไม่วาไมมีใครอันตรายอะไรเสี่ยงทางนอกกรณีรถควะใ้จิตไปเกี่ยวข้องมีแต่หลวอาของใจ เอาเอวนไปหาเอาวนเก่าทำให้จิตใจทั้งเราวนวายต่างๆเวลานั่งเวลาฟังท่ามขันจิตใจจิตใจจิตใจจิตผ่องต่างๆใาไหมอยู่ในเรื่องทั้งตัวอยู่ยวดีต่างๆ ตัดต่อไปก็เป็นอดีตอ น, นาคตามจิตของตนเห้อยู่ลในปัจจุบันแล้วมีสติมีปัญญาดูจิตทำเป็นอยู่ในปัจจุบันมันอยู่กับอดรรัดทำหรืออยู่กับอารมณ์อะไรตรวจสอบดูอีกหาว่าอยู่ในอารมณ์ภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของธรรม พออยู่ในอารมณ์ตงทเนี่ยสะอาดสอนจิตบังคับจิตจิตก็จะได้รับความสงบได้รับความเบาสบายนี่คือทางปฏิบัติไหนใช่ไปปฏิบัติคือไหนปฏิบัติกายใจของตัวแต่กายใจนั้นที่จะปฏิบัติได้ผล ดีเด่นตองอาศัยสถานที่เหมือ น, นกันแต่ใ น, นทางศาสนาอาจึงสอนว่าสตายาัยยะหมายถึงสถานที่สบายสตาาัยยะของกายสตัยยะของจิตแต่เราไปเลือกหาสตาัยะให้ถูกตามทีจุดปัญหามันก็หายยาก เพาเอามีกิเลสกันหาเป็นยาหน้าเป็นผู้พานำถ้าไปอยู่ในที่เียวสงบเงียเนเตัวให้อันตรายต่างๆถ้าอยู่ในที่อลุกผ่านสุูคนกันสอนไปมามีทถ้าพวกส่วนถึงหมูคณะมาแก็ถือว่าทั้งวันดีดูเดืยดเดื เหยื่อของพีลเลต์มันเป็นแบบนั้นมันเลยจะมีวันมีเวลาให้โอกาสแก่ตัวของเราแต่สถานที่เราเดือามจะเหยื่อพิลเลไปหาสึกตัวของเราเลยอาจทำจริงจังแต่ปายะอยู่ในพวกใจเจ้าสอนเอาไว้ มันก็ถูกต้องอยเป็นบางข้อบางอย่างจิตขะสติยะบุคคลเป็นจิตสบายเจ้านาศสติยะเจ้านาเป็นจิตสบายอาหารสติยะอาหารเป็นจิตสบายอิตสตยะอากาศเป็นจิตสบายสติสตยะทั้งสี่สติยะทั้งสี่นี้เมื่อสึกจิตจิดตามเรืยองทั้งคแล้วก็ไม่ทราบ ันศาบาเป็นมาสิ่งบางอย่างส่วนอาหารอากาศัวต่อปากตจากธาตุจากขันในศาตรจากจิตจากใจจริงจังเพระนั้นศึกษาร ะ, ราระายะในระยะเวลาย้วนานตันดีในช่วงเานี้นนรน <c oughs> กรมีใครที่จะเป็นศาสตร์ศึกษาตัวต่อตัวขอเรา ถ้าพวกเกินสูงอย่ป็นบรรทัชนดหรือสรว่าต่างหน้าต่างตามาสร้างเุ็ ง, งามความดีแต่เป็นคื่ออวิอวิสักตก์ต่อกันแล้วก็พอวางใจได้เราแม่งอยู่สถานที่นี้ทาไม่มีภัยอันตรายจากผู้คนหรือสัตว์ถือว่าเป็นตัดไปยะ ถ้าวันมีขาดสติสตัวอะไรจะมาเบียดเบียนอยู่อย่างว่าจิดขละสไตยะภ า, ายนอกจิดขละสไตยะภ า, ายในคือเรื่องจิตใจของเราความคิดจิตไปต่างๆในการกระทำบำเพ็ญเราสา ม, มารถที่จะแก้ไขจิตใจทั้งตัว เองได้ไปหาคักพวกเหี่อช่วยคืออยู่เดียวกันในธรรมแจกให้คือจิตใจคือเดี๋ยวจะทาไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำคือี่ป็นความดีมีความรู้ทำา่วยเหลือเหนือเรามาที่ท่านเดี๋ยาวนาแล้วก่อนจิตใจใส่รู้เห็น่อในอัต ต่างๆมาก่อนท่านอาจจะแนสอนได้แต่ทำให้จิตใจของเราขึ้นับ้ล่องหายไปมีเรียดสุขละสติญาณภายในเพื่อเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้าดยเวลาจิตผัดในการภาวนาในเวลาจิต ใ, ใ, ใจเกิดสงสัย อ, อะไรมีคู่ปึกษา แก่ใช้สิ่ที่ฟองจิตหายไปเยียกว่าสุขละสมัยยะภายในที่ใจจิตเี่ยวกัใจของตัวที่ฟองจิตได้สวนเจ้าสมัยะเจ้านาสมัยสยหมายถงที่สงบสงัดทานเกลงตาเขาห้ามผินักปฏิบัติไปพักอาศัยสถานผิ่นั้น โดยส่วนใหญ่ก็เป็นที่สงบสงบัดตามธรรมชาติของมันไม่มีอะไรที่จะไปเผชิญท่เสียงใช้นอกกกแต่เข า, ามาถึงจะประกอบภายในคือ ท, ทำจิตทำใจก็พอทำได้ในระยะใหว่างกลางวันกลางคืนเพราะเวลาะนะ สงบสงนะมีสถานที่ตอนล่นปฏิบัตริระดวกส บ, บายอือถือว่าเจ้นาสนะสไ ต, ต ย, ยะภายนอกคุณคามสงบสงัดะต่ที่ปิบัติอยู่เจ้ น, นาสนะสไ ต, ต ย, ยะภายในจะต้องดูด่านจิตใจของตัวเอง คือไปสถานที่ใดเราเคยฝึกอบรมด่านของใจไปบางที่บางแห่งเราเคยฝึกขนาดนั้นจิตใจเคยเรวมสงบสงั ด, งดนี่เราพอเพื่อปฏิบัติอยู่ใ น, นสถานที่นั้นเกิดความรู้คาวามสละสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ เราเคยเห็นาสามารถที่จะแกไขสิ่งที่ใจติดข้องต่างๆให้ตกไปหลุดไปเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนได้อดในธรรมพอสมควรได้รับความสงบแล้รับความสุขจากการนั่งการเดินการ ท, าทรําความเพียรไปไปเสวนาซะนะ บางแห่งการทำยังคสงสนคงวางและมีการเล่นละแต่จิตไปซึ่งจริงในรอมให้พิจรารณาอะไรแต่แจ่มใสชัดเจนเนีย่ยเป็นอย่างนั้นเวลานะแห่งนั้นขันธ้อบิบาเป็นอัสไ ป, ป ย, ยะที่ในเป็นผี่สบาง ของสื่ภาวานาสำหรับคนนั้นแต่ที่ต่อเมะนะื่ออาณะเป็นที่สบายทางภายในจิตใจของเราเคยฝึกอบรมอยู่ทุกระยะทุกเวลาน้อมจิตเข้าสู่ธรรมะอยู่เสมอเอาขอไปถึงสถานที่ที่เป็นสตยะ จิตใจมันดุดดินนั่อยากจะทำพอเข้าไปก็เยียกเย็นปีติอิ่มใจในสถานที่จิตน้อมไปในด่านธรรมะสมานเสมอพิจารณาอะไรก็งนายจะให้ ร, ร 1, วมลงกลก่มหนึ่งกบบยย่อน ส, สบายอยู่เฉว่าเจณาสนะว์ไปยะคือจิตสบายของจิตของใจเรา แต่คือคือไม่แพืปฏิบัติในชีวิตที่เจรณาจิตใจก็ไม่ทราบอีกมันจะสงบแช่ไหนมันจะหยุดยนแช่ไหนถ้าเราไมา่ใคยปฏิบัติทางใจกเลยคิดว่าคนั้นสงบนคะิดนั้นไม่สงบนคะิอนั้นหนาอยู่ที่นี้ไม่าอยู่แต่ความเป็นใายในเป็นอย่างไรเราอย่างข้าพราเราไมา่ตรวจดวยจิตดูดใจของเราอะไร ในทำทางภาง ว, วนา